โอ้โหคนมีบุญในขนาดนี้เนาะลองมาพิจารณาดูนะว่าในวันที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในคันนางสตรีหมาเบียยาเป็นหรือว่าในครันของนางผุดสีเป็นต้นแน่ดีต้องดงึงดูทีโอ้ยบุญคนมีบุญเนี่ยเนี่ยเวลามาถือปฏิสนธิหน้าที่ไหนๆต่างๆเนี่ยหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นก็ร่มเย็นนะสงบสุขมีแต่ความสงบมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสุข ถ้าหากว่าจะเน้นทานบารมีใจของคนกันน้อมไปในทานจะเน้นศีลบารมีใจงคนอยู่ใกล้กันน้อมไปกระสีบารมีเป็นต้นเหรอเนี้ยบารมีของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆไงฉะนั้นแต่เราท่านทั้งหลายได้ฟังอยู่แต่หน้าพระพากของพระเจ้าเวลาพระเจ้าพูดเรื่องทานเนี่ยอยากจะสละชีวิตนะบางคนใจน้อมขนาดนั้นเน่ยนี่เราไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นใช่ไหมไม่ไดมีโอกาสขนาดนั้นหรือใจเรายังไม่ถึงขนาดนั้น เวลาพุทธเจ้าพูดเรื่องขันติเนะี่ยแหมรู้สึกว่าอดทนน่ะอยากจะอดทนในทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในใจเลยนะี่ยอย่างแต่อาตมานี่โอ้เป็นคนบุญน้อยนะเ้าเท่าทำพระธรรมพุทธาเนี่ยเป็นของสูงอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเอิญมาอยู่กับบุญบุญเนน้อยเขาวเวลาอาตมาพูดออกไปพวกเราหลับกันเป็นแถวอะไรยงนี้เสียดายดี๋ยวอาตมาไปเพนบุญใหม่ <c oughs> ต้องทําบุญให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะเนี่อาจริงเป็นอย่างนั้นนะถ้าพุทธเจ้า บรรยายทำเนี่คนหลับไม่ค่อยได้แต่มีเหมือนบางรายเหมือนกันนะบางรายประเภทที่ล่องทีนะมิทาลึ ก, ลกเหลือเกินไม่นั่งหลับก็มีนะที่ว่ามีบางสูตรใช่ไหมที่พระเจ้าเทิดมีพวกนั่งหลับก็มีมหาชนฟังพระตาลัตของพระตถาคตก็ร่าเริงยิงดีพากันถือดอกไม้ของหอมรูปร้ายต่างๆจากออกจากรำมนครไปหาโพธิสัตว์เลยนะเดีเนี้ยไปแล้วบูชาได้ดอกไม้ของหหาหอมเป็นต้นไหว้แล้วทําประทักษิณ กลับมาในยังรำบมนครพอพระบริษัทพิจารณาธทำสิบประการเหล่านี้นะพุทธคุณยึดถือพุทธคุณเมื่อพระองค์ยึดถือพุทธคุณแล้วกระทำมริษฐานวิริย่าให้มั่นและน้อมนอมัสการพระทิปังกรนพระเจ้าลุกจากอาสนะเลยให้สังเกตดูนะว่าท่านเจริญพุทธคุณแน่นมั่นขณะท่าเป็นโพริสัทธ์นี่นะท่านเจริญพุทธคุณหนาแน่นมากลำดับนั้นสมีท่าดาบทโพทธิสัตว์ ผู้เอนดูสัพสัตกำลังลุกขึ้นจากอาสนะเทวดาในหมื่นจักราวาลประชมกันบูชาได้ดอกไม้ของหอมเป็นต้นถ้าอย่างเรามีใครบูชาขนาดนั้นน่ะสงไถยไม่ไปแล้วติดเครื่องบูชาอยู่นั่นละถ้าใครบูชามาขนาดนั้นสงศ์ไถอามานี่ตายเลยเสียหายเลยใจใจเลยไปหมกมุ่นในการมวุณนเยในวัตถุกามมันนะีเนี่ยท่าน ข้าแต่ท่านสุเมธาดาบทผู้เป็นเจ้าวันเนี้ยท่านปรารถนาความยิ่งใหญ่อันใดแทบมูลบาทมูลของบดีบางกรบพุทธศพนั้นขอความปรารถนานั้นจงสําเร็จแก่ท่านโดยไม่มีอันตรายเถิดเทวดาก็มาให้พรภัยหรือความหวาดกลัวในความปรารถนานั้นอย่าได้มีแก่ท่านเลยโรคแม้จํานวนเล็กน้อยก็จงอย่าเกิดในสรีล่ของท่าน ท่านจงบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายแล้วแทงตลอดพระสัมมาสัมโพธิญาณโดยเร็วต้นไม้ดอกไม้ไม้ผลย่อมออกดอกออกผลตามฤ ด, ดูกาลแม้ชั้นใดแม้ตัวท่านอย่าล่วงเลยฤดูสมัยนั้นเสียจงสัมผัสพระโพธิญาณโดยพันเทินว่าไงเนี่ยบอกฟังอย่างนี้นาเชื่นใจไหมอย่างเราก็เก็บคําชื่นใจแล้วมันนอนไม่ได้ทําบา ร, รมีต่อนี่นะแต่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นเทวดาให้เมื่อทั้ง สองนั้นพากันแทซองสวัสดีความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่ท่านจงได้ปรารถนานั้นสมปรารถนาเถิดขอเสนียจันไรจงปราศจากไปความโศกโรคจงพินาศอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ท่านขอท่านจงสัมผัสพโพธิญาณอันสูงสุดเร็วพันเถอดเหมือนพระท่านสวดมนต์เนี่ยอาวิวาทานาสีริสานิจังวดาปจายโน จตารดามาวทันตีอายุวันโนสุขังบาลังห็นไหมท่านบอกว่าบอกว่าอายุวันณสุขขาวพราเป็นต้นเหล่านี้ยหรือเหมือนพระที่สดสพีติโยวะชันตุเนี่ ย, ออยขอความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปใช่ไหมอย่านี่ก็เหมือนกันให้ท่านนะพ้นจากเสนียดจันไรโดยเร็วเธอยอมว่าอะไรคือเสนียดจันไรยุ่งเลยยุ่งเลยตัวเนี้ย อะไรคือเสนียดเฉลยถ้าบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเสนียเฉลยไมยู่่เป็นไม่เป็นนี่แหละเป็นที่ตั้งของอุปถัมภด้วยเป็นที่ตั้งของสัพพะภัยทั้งหลายด้วยนะนั่นต้องขจัดโดยเร็วนะต้องขจัดโดยเร็วทำยังไงไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปโผล่นะพบในไหนอีกต่อคือให้ปรินิพพานีเร็วพันเลยนะ ต้นไม้ดอกไม้ย่อมออกดอกบานถึงฤ ด, ดูการแม้ชั้นใดข้าแต่ท่านมหาวิรัขอท่านจงบานด้วยพุทธญาณชันนั้นเหมือนกันเถิดโอ้โหได้ฟังคําอย่างนี้แล้วลองคิดดูอัธยาสัยที่นี่พระพุทธเจ้าท่านมาเล่านะท่านมาเล่าหลังจากที่ท่านไดตัดสรู้แล้วนะท่านมาเล่าเนะี่ยเล่าอดีตฉะนั้นแสดงว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดเมื่อเสียสงขายยิ่งโดยแสนกลับเนื้อแนนะ่ที่มาเล่าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านกว่าจะได้เป็นนะี่ย พ, าาพ ร, ร, ร, ระนนพาสามพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสิบชั้นใดข้าแต่ท่านมหาวีระท่านก็จงบำเพ็ญบารมีสิบฉันนั้นเถิดพระสามพุทธเจ้าทุกพระองค์ตัดสู้ที่โพธิสถานชั้นใดข้าแต่ท่านพระมหาวีระก็ท่านจงตัดสู้ที่โพธิมณฑลสถานของพระชินเจา้าฉันนั้นเถิดเห็นไหมบอกว่านั่งไงที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิเป็นที่ตัดสู้ของพระทเจ้าทุกๆพระองค์นะท่านก็จงมาตัดสู้ตรงนั้นแล้วท่านก็ตัดสู้ไปแล้วเห็นไหมเนี่ย ตอนี้เราจะคิดบ้างไหมว่าเราจะไปตัดสรู้ตรงนั <mainland> ้นได้ไหมเนี่ยใช่ไหมก็บางท่านเขาก็คิดสูงอย่างนั้นนะแต่บางท่านเขก็คิดว่าจะไปขอถ้ามีที่ตัดที่บุคคลใดตัดสรู้ตรงนั้นก็ขอไปฟังทำท่านบูรดมันพรจะตัดสรู้ตามท่านพระสามพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงประกาศธรรมจักชั้นใดข้าแต่ท่านมหาวีระขอท่านก็จงประกาศธรรมจักชั้นนั้นเหมือนกันเถิดธรรมจักรกับปวัตนาสูตรก็คือการประกาศอะไรประกาศอริยสัจสีนะ ประกาศทุกขเขตให้เกิดทุกความดับทุกแล้วก็ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกดวงจันทร์ในราตรีเพนเต็มดวงรุ่งโรจน์ชั้นใดท่านมีมโนรถเต็มแล้วจงรุ่งโรจน์ในหมื่นโลกธาตุชั้นนั้นเหมือนกันพระบระรมาศ า, าสดาหลังจากได้ตัสรุนุตตะสัมมาสัมโพธิญาแล้วหมื่นโลกธาตุในชาติเขตของพระบระมาศ า, าสดานี่นะก็หวั่นไหวเนาะ นอกจากหวั่นไหวแล้วไม่พอนีในหมื่โลกธาตุนั้นได้รับแสงพระธรรมของพระบรมศาสดาอย่างทั่วถึง เ, เป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์โลกนั้นนั้นแล้วนียแล้วเราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างาเล็กๆน้อยๆกันเนี่ยนะพอเป็นเครื่องชูใจบ้างเนี่ยแต่บางท่านก็ได้รับเยอะใช่ไหมแสงพระธรรมนั้นก็อาบรสกระแส ข, ขันธาตุอยายตนะของเราท่านทั้งหลายได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะดวงอาทิตย์พ้นจากราหูแล้วย่อมรุ่งโรจน์แม้ชั้นใด ท่านพ้นจากโลกแล้วจงรุ่งโรดด้วยสิริฉันนั้นเหมือนการเถิดแม่น้ําทุกสายย่อมไหลสู่มาหาสมุทรแม้ช้าําใดโลกพร้อมทั้งแถวโลกจงชุมนุมยังสํานักของท่านฉันนั้นเขาบอกเห็นไหมแม่น้ําทุกสายเวลาไหลไปก็ไหลยังสู่มาหาสมุทรบุคคลทั้งหลายเนะี่ยที่เป็นบุรุษชนทั้งหลายจึงไปชุมนุมกันเพื่อฟังธรรมของท่านแล้วจงบรรลุธรรมตามท่านเถิดขันเปล่งสะดุดีอย่างนี้แล้วก็พากันกราบไหว้แล้วก็กลับไปยังเทวสถานของตน ฝ่าโซเมธาดาบทพระโพธิษัตนั้นอันเทวดาสะดุดีแล้วดำดิว่าเราจักบำเพ็ญบารมีสิบแล้วจกเป็นพระธเจ้าในที่สุดแห่งสเสียสงไข่กาไรแสนมหากัรแล้วทิฏฐานความเพียรไว้มั่นคงโลดขึ้นสุรอากาศเห็นไหมปีติท่านปราโมดย่างรุนแรงเลยใช่ไหมท่านเหาะที่ท่านได้พิญญาแล้วนะพรอท่านทิฏฐานมั่นคงไปีเสร็จท่านก็เหาะไปยังหิมมาวันประเทศ ที่คณะลือีไปอย่างมั่นใจไหมไปอย่างมั่นปจะใจไปอย่างมีข้อมูลพระธรรมเต็มหมดเลยนะนั่นพระไตรปิฎ ก, กจบแล้วเนี่ยระดับพระพุทเจ้าสิสิบหกอสงไขยนี่นะฟังคําสอนพระพุทธเจ้าหนึ่งคาถาเนี่ยแค่คาถาเดียวเนี่ยนะจบพระไตรปิฎกได้ถ้ามาสาธยายสักหนึ่งคาถาเราสามารถไปเชื่อมโยงต่อให้จบพระไตรปิฎกได้ไหม เอาให้จบปีดอกสามเลยเนี่ยเอาขนาดพระพุทธโคสาท่านยังเอาไปเชื่อมโยงได้ใช่ไหมที่ท่านฟังเกี่ยจฤสีเลปฏิฐานะันโรสปันโยจิตตังปัญญาสัปัญภาวยังอาตาปีนิปโกพิขูโศยมังวิชั ต, ตเตเยชะตันติอะพูดแค่นี้นะท่านไปนประมวลเป็นวินัยยปีดอกพระสุตันตะปีดกพระวิธรรมปีดกได้ฉะนั้นคําสอนของพระบรมศาสดาหนึ่งพญชนะเนี่ยเขาสามารถจบพระตายปีดกได้นี่คือคนสร้างบารมีเต็ยมยอม ฉะนั้นสร้างให้เต็มต่อไปจะฟังทำน้อยก็เข้าใจทะลุทะลวงหมดแล้วแล้วตอนเนี้ยลองฟังสักหนึ่งบรรทัดดิแล้วจะไ ป, ปะชมยังไงตัเนี้ยนะแล้วจะออกเป็นวินัยยาบีดอกสองหมื่นหนึ่งพันยังไงเพระสุดตันยาบีดอกสองหมื่นหนึ่ง 21, 000, พันพ่อพิธามปาบดกสี่หมื่นสองพันยังไงยังไปชมไม่ออกเลยใช่ไหมยังขยายไม่ได้ได้แต่ย่อย่อก็ผิดอีกเนี่ยตัวเนเสียหายเลยตัเนี้ย ตรงนี้ถึงบอกว่านั่นแหละคือการบ่มบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านปัญญาทนระดับนั้นทั้นคนที่มีปัญญาระดับเนี้ยถ้าท่านจะบรรลุก็บรรลุได้แต่ถ้าท่านยังจะไม่บรรลุท่านก็ทําได้เนี่ยนะอย่างของเราเนี่ยจะ บ, บรรลุก็ยังไม่ได้ตอนนี้นะจะจะบรรลุก็ยังไม่ได้เนี่ยนะจะเข้าใจคําสอนให้หมดเนี่ยต้องเพียรพยายามเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดอุบาสกชาวรมมนาคร ถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระเจ้าทีบังกรเป็นประธานแล้วบูชาพระเจ้าเสวยเสร็จชักผ้าหัดออกจากบาทแล้วเออจะขอไปชักม้าหัดออกจากบาทแล้วด้วยดอกไม้แล้วก็ของหอมเป็นต้นอีกถวายบังคมแล้วอยากจะฟังนุโมทนาทานยึงเข้าไปนั่งใกล้ลำดับนั้นภาษาสดาทศพลทีบังกรนะ่ยนะทรงอนุโมทนาอย่างเพล้อยิ่งจับจิตจับใจอุบาสกเหล่านั้นว่าธรรมดาทานเป็นต้นนะ เป็นต้นเหตุของสําคัญของความสุขเป็นต้นก็ยังกล่าวเป็นที่ตั้งของบันไดทั้งหลายที่จะไปสู่พระนิพพานเนี่ยอาทานเนี่ยเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานไหมอาเป็นยังไงทานนกุศลเนี่ยท้าพระเจ้าไม่มีทานบารมีเนี่ยบรรลุได้ไหมเห็นไหมทานเนี่ยเป็นปัจจัยกับพระนิพพานทานเป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์ทานเป็นเผ่าพันธุ์เป็นเครื่องนําทางทานเป็นกติสําคัญของสัตว์ที่ถึงความทุกข์นะทานเป็นนาวาเพราะอัตว่าเป็นเครื่องช่วยข้ามจากทุกข์ได้ ทานท่านสรรเส ร, ริญว่าเป็นนาครเพราะป้องกันภัยทั้งหลายเริ่มตั้งแต่แลเริ่มตั้งแต่ทานธรรมดาไปจนถึงธรรมทานเนี่ยนะทานเป็นเช่นอสรพิษเพราะอัตว่าเข้าใกล้ได้ยากโอ้ oh. ปแปลกนะบางคนนึกว่าทานทำง่ายจริงๆยากไหมลองให้ชีวิตเป็นทานยากไหมโอ้เ oh. ข้าใกล้า ย, ยากเลยใช่ไมไม่ต้องชีวิตลรอกให้อวัยวะเป็นทานเนี่ย ลองจะตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นทานสักครั้ ง, งนึ่งก็นั่งคิดเหงื่อตกเลยนะนั่งลําบากอะ่ะเอาถ้าสมมุติเป็นขนาดเป็นลูกยังบางทียังไม่ค่อยกล้าใหนะ้ลูกบางคนไม่กล้าให้พ่อเลยนี่ขนาดนี้นะขนาดอวัยวะนี่เนะี่ยไม่ต้องชีวิตเลยนะแต่รักพ่อมากอะนะไม่เคยกล้าให้หรอกช่วยพ่อไม่ได้พ่อทํากรรมมาเยอะแล้วกันทนเอาเนาะพ่อนะพูดดีๆพ่ อ, นะพ อ, พอเออไม่เป็นไรลูกก็งนะั้นก็เลยทนลําบากไป เป็นที่พึ่งของบุรุษนะเสมอได้ทานในโลกไม่มีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญทานด้วยตามอัธยาศัยนรชนคนใดเล่าผู้มีปัญญาในโลกผู้ยินดีในประโยชน์เกื้อกูลจะไม่พึงให้ทานทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งสวรรค์นรชนไรเล่าได้ยินว่าทานเป็นแดนแห่งสมบัติในเทวดาทั้งหลายจักไม่พึงให้ทานในถึงความสุขทานเป็นเครื่องยังจิตให้ร่าเริงนรชนบำเพ็ญทานแล้ว ก็เป็นผู้อันเทพอักษรห้อมร้อมอภิรมในนันทวันบ้างแรงสําเริงรานของเทวดาตลอดกาลนานผู้ให้ย่อมมีปีติอันโนลานย่อมประสบความเคารพในโลกนี้ผู้ให้ย่อมประสบเกียรติเป็นอันมากผู้ให้ย่อมเป็นผู้อันมหาชนไว้วางใจเออทานต้องเข้าใจอะไรไหมอารโอภาทานเจดนาทานเจตสิกท า, านนะเช่นอโรภาทานการให้ในการที่จะตัดอะไรตัดอะไรตัดความโลภในกระแสจิตเนี่ย เจตนาทานก็คือก่อนให้ขณะให้หลังให้เป็นต้นแล้วก็วัตถุทานเป็นต้นนี่ต้องชัดเจนนะะการให้ต่างต่างเหล่านี้เจแม่สูงสุดจริงๆอ่ะเจตสิกาทานท่านพูดถึงการงดเว้นจากการฆ่านะจากการลักจากการประพฤติผิดในกรารพูดเท็จเป็นต้นอันนี้ท่านจัดเป็นมหาทานนะจะเป็นมหาทานนะทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยให้ทานกันก็เบียดเบียนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เพราะการไม่มีพวกวิรติทานคือการงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกลันต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็เลยเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่น้อมค้นธรรมอนุโมทนาเบีดเสร็จแล้วก็ประกาศอนิสงโดยนายต่างๆเป็นต้นแล้วก็ตรัสสีลกาถาในลำดับต่อจากทานนากักาถาลำดับสีนากาถาเป็นมูลหนึ่งสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าศีเป็นต้นเหตุ เขตสำคัญของความสุขทั้งหลายผู้มีศีลไปทิพยาสมบัติเป็นต้นเหล่านี้ศีลเป็นเครื่องป้องกันเครื่องเร้นเป็นเครื่องนําหน้าของผู้ไปถึงสังสารวัตรเ อ, อจริงๆกันนะบอกว่าที่พึ่งอาศัยของหมาชนทั้งหลายในโลกนี้ในโลกหน้าต่างๆเสมอได้ศีลไม่มีนะฉะนั้นศีลจึงเป็นสรณะศีลเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนะคาศีลท่านลอพิจารณาดูนี้ว่า กรณีที ts. Ts. Ts. ่สัตว์โลกทั้งหลายถ้าไม่มีกุศลศีละหรือศีลเจตนาทั้งหลายหรือศีลเจตสิกทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ในกรณีที่ศีลทั้งหลายที่จะเป็นปัจจัยเก่การที่จะยับยั้งบาปธรรมทั้งหลายนะที่จะเป็นไปทั้งกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นเหล่านี้ตัวศีลนะที่มันเกิดในใจนี่แหละเป็นตัวยับยั้งนะยับยั้งบาปธรรมทั้งหลายไม่ทําวินยัฉัยทั้งสองให้มีการเคลื่อนไหวในการที่จะไปฆ่าหรือปรานไปปรพฤติผิดเป็นต้นเหล่านี้การพูดเท็จต่างๆเหล่านี้เป็นไปไม่ได้นะถ้ามีศีละ เจตนาเป็นต <necessary. S 2> ้นหรือว uh, ่ามีศีล <tit> ว <ling> really mm ิร hmm. <t uss IL> ัติศีลเป็นต้นในจิตใจนะตัวศีลเหล่านั้นแหละจะเป็นตัวคอยยับยั้งไม่ให้กายกรรมวิจิกรรมนั้นน่ะมีการเกลื่อนกลนกระจัดกระจายนะและในส่วนจริงๆตัวสีนั้นจะเป็นคุณธรรมเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงมีสมาธิปัญญาเป็นต้นเครื่องประดับเสมอโดยศีลไม่มีกลิ่นเสมอด้วยศีลไม่มีเครื่องชําระมณทินเสมอด้วยศีลก็ไม่มีเครื่องระงับความเร้าร้อนเสมอโดยศีลก็ไม่มี เครื่องเกิดเกติยศเสมอด้วยศีลก็ไม่ ม, มีบันไดไปสู่สวรรค์ประตูเข้าถึงพระนครคือพระนิพพานที่จะเสมอด้วยศีลไม่มีเป็นต้นอันเนี้ยพระราชาทั้งหลายทรงประดับด้วยแก้วมุกดาแก้วมณียังงามไม่เหมือนนักพจน์ทั้งหลายผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลเลยว่าสง่างามกว่าเยอะเลยว่างั้นน่ยท่านกัปปิเจตนานลักษณะนี้เขาพูดถึงว่ากินทั้งหลายเหล่านี้ย กินดอกไม้หอมหัวนทวนลมเป็นต่างเราเนี่ยนะกินมะริกินอะไรต่างๆเราเนี่ยไม่สามารถจะทวนลมเป็นต้นไปได้แต่กินของศีลเนี่ยสามารถทวนลมเป็นต้นได้ท่านก็อธิบายขยายตรงนี้คือพระบรมศาสดาก็แสดงธรมรมนะเรื่องแสดงธรรมต่างๆนะัอุบาสกชาว ร, รัมนครนั้นได้ฟังโลกกันหน้าแสดงทางประสงค์แล้วเนี่ยนะพระธเจ้าแสดงธรรมเบ็ดเสร็จอย่างนั้นบางคนก็ตั้งอยู่ในสารณาคมบางคนก็ตั้งอยู่ในศีลบางคนก็ศีลห้ศีลสิบ บางท่านก็สมาทานเนะได้โสดาปริมักเป็นต้นอันนี้เป็นไปตามลําดับตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลพระพุทมศาสดาวบัตรเกิดขึ้นมาก็เพื่อแจกนี่นหละแจกอริยทรัพย์อย่างเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้ที่เรามากันในวันนี้ก็ต้องการอริยทรัพย์เนะ่ยไหมไม่รู้ใครได้อริยทรัพย์ระดับไหนบางคนก็ได้สถานะคมกลับไปบางคนก็ได้ศีลกลับไปบางคนก็ได้สมาธิปัญญาเป็นต้นนี้กลับไปบางคนก็ได้แหละ ได้ตื่นหนึ่งกลับไปอันนี้ไม่เอาเนี่ยไม่เอาคุณธรรมนี้ไม่เอาแล้วกลับไปเพราะไปแล้วเสียหายเลยจะไปได้พวกเนี้ยทีนี้สถานที่ต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าเนี่ยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็บําเพ็ญบารมีในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จเขาเรียกว่าการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ยนะท่านก็บอกว่าครั้งนั้นเราจะถาคตผู้เป็นสุมเมธา ดาบทมหาสัตว์เมื่อเทพยญานิกรทั้งหลายประชุมสโมสรกันเบีดเสร็จแล้วเนี่ยนะลุกจากอาสนะนั้นแลกด้วยปราโมทปีติต่างๆฮนะบอกว่ายังอีกเสียสงขายยิ่งได้แสนกับเท่านั้นเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าก็อิ่มอกยินมใจใหญ่ว่างั้นนะจึงอธิษฐานมั่นในวิริยาบ ร, รมีหน่วงอาพุทธานุสติเป็นอารมณ์เนี่ตรงนี้สําคัญนะท่านบอกว่าอธิษฐานบ ร, รมีสิบไว้ในตนเบีดเสร็จเนีนะนะผูกบ ร, รมีไว้ในตนผูกสัตว์ไว้ในตนเบีดเสร็จแล้วเนะี่ย พระองค์พระโพธิสัตว์เหล่านั้นน่ะท่านก็ที่ฐานมัน่นเดวียาบรมีน่วงเอาพุทธานุสติเป็นอารมณ์น้อมกายบ่ายประพักเฉพาะทิศเป็นที่สถิตของพุทธเจ้าแล้วเราก็สู่หิมวันเราประเทศโดยทางอากาศอยู่เจริญกสิณฌานสมาบัติไม่ให้เสื่อมสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็ไบบังเกิดในพรหมโลกนิจบสุเมธาดาบทโพธิสัตว์เพียงเท่านี้นี่จบแล้วเนี่ย ต่อไปก็คือตอนที่โพธิสมภารในคถาตอนที่สามคถาว่าด้วยเรื่องการสั่งสมบารมีในระหว่างสี่สงขายยิ่งด้วยแสนกับตรงเนี้นะรามนานนครเป็นต้นครั้งนั้นมหมาชนชาวรามานนครเนี่ยนะเมื่อสุมเมธาฤษีไปแล้วต่างคนต่างก็กลับมาประชุมกันนะสักการะบูชาเป็นต้นเนี่ยพระทธเจ้าพระที่พระธิบังกรพระทีเจ้าเป็นต้นดังที่ได้ ก, กล่าวทีนี้พอต่อไปก็คือว่า ก็แลพระพทการแห่งพระพุทธเจ้าทีบังกรนั้นประชุมสงสาวกสนิบาตสี่แสนองค์ร้วนทรงชลพิญญาคือมีพิญญาหกมีมหิทธานุภาพเป็นอันมากหากตาแวดล้อมเป็นโบราณสิ้นการทุกเมื่อเมืองที่อุบัติของพิธีบังกรพุทธเจ้านั้นมีพระ น, นามว่ารัมมะนครลรั ม, มนวดีนะสมเด็จพระพุทธบิดาทรงพระ น, นามว่าพระเจ้าสุทเทวราชพระ พ, พุทธชินีนาแต่ชนนั้นทรงพระ น, นามว่าสุเมธาอครเทพี อ克拉สาวกทั้งสองเนี่ยนะซ้ายขวามีพระ น, นามว่าสุมังคระเถระและโสพิตะพัติสาเถระเป็นพุทธอุปถากภนันธาเถรีพระสุนันธาทั้งสองเป็นภิกษุณีคู่เนี้ยเป็นอ克拉สาวิกาซ้ายขวาปิีพริพฤกษาหรือไม้เรียบเป็นโพธิสถานพระพุทธทีบังกรนั้นมีพระกายสูง82พระชนมาายุได้แสนปีนะมีพุทธละสมีโอภาษไม่มีที่สุด สเสด็จดับขันธะปรินิพานล่วงละไปมีอาการเป็นประดุดกองเพิงใหญ่ดับแล้วและความมืดหันโมหันอันตรการก็บังเกิดขึ้นนการนบัต้นเวลาพระบระมา ศ, าศาสดาสเสด็จดับขันธ์พะปรินิพานก็คือปฏทีบน่ะดวงอาทิตย์นั้ดับดวงอาทิตย์คือดวงของปัญญานั้นก็ดับแล้วเมื่อดับเบ็เสร็จก็มีความมืดปกคลุมกระแสะสัตว์ของโลกเหมือนทุกวันเนี่ยเนาะ ตอนนี้แสงพระธรรมจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแต่พระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา ย, ยังอยู่ก็จริงนะถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ก็จริงก็เป็นแสดงการในการที่ค่อยๆจะหมดไปเรื่อยๆเรื่อๆเนี่ยแต่ตอนนี้แสงพระธรรมยังเหลือยอยู่นะแต่ท่านที่มองไม่เห็นมันเยอะไอ้ความมือโมหะโมหาัหานตการก็ครอบงํากระแสขันธของสัตว์เนี่ยจัต์โลกนั่นก็เต็มไปด้วยอภรร ภาคการเบื้องหน้าแต่ศาสนาของพิธีบังกรล่วงมาถึงสารมันตกับขั้นสารมันตกับล่วงไปแล้วจึงถึงศูญญ์ะอาสงไขยกับ4มีเสราสงไขยกับที่หนึ่งขั้นถึงเสราสงไขยกับที่หนึ่งล่วงไปแล้วก็ถึงสารมันกับที่สุดของเสราอาสงไข่หมากับก็สารมณนกับอสุญญะกับก็คือกับที่ศูนเปล่ามีพระกนทัญย่นี่นะพระเจ้าหนึ่งองค์ได้ม า, าบัตรเกิดขึ้น ก็ในพุทธการแห่งพระกอัญญะพุทธเจ้านั้นประชุมสาวกสันนิบาตเป็น3การนะการที่เป็นปฐมประชุมสาวกสันนิบาตแสนแสนโกดประชุมมากจริงขั้นถึงทศติยการการที่ 3, ออาสองประชุมสาวกสนิบาตอีกพันโกดตศติยการที่สก็ตอนอวสานเนี่ยประชุมสองสาวกสนิบาตเก้โกดคือในครั้งนั้นน่ยนะท่านก็บอกว่า ในการนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นบรมจักรพรรดิราชทรงพระนามว่าพระเจ้าวิชิตตาวีนี่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ได้สละราชสมบัตินับได้แสนโกดบมเพนมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีองค์พระสัพพัญยูพระเจ้าเป็นประธานครั้งนั้นสมเด็จพระโกนทัญญาศาสดาจารย์เจ้าก็ได้ทรง ทำพุทธพยาการแด่เราพระเจ้าวิชิตตาวีมหาราชนี้คือหนอพระชินสีโพธิสัตว์สืบไปในนาคตพระองค์จะได้ตรัสรู้สัมมาสัมปวิยาณพระองค์หนึ่งพระนามว่าโคดมบรมครูนี่พยากรณ์แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับพยากรณ์ทุกพระองค์เนี่ยนึงสมเด็จพระกรัญย่าพระเจ้านั้นดํารับพยากรณ์ทำนายพระบรมโพธิสัตว์โดยนายเป็นอาทิชนีแล้วก็แสดงพระสัตวธรรมเทศนา สมแต่บรมพธะภริษัทษรทรงภาษาถ่าเริ่มใสสละราชจะสมบัติมหายิูุลยสมบัติก็ออกบาเพน็ญเนคขมารบารมีบรรพชาในพุทธศาสนาบวชอีกแล้วว่าอย่างเราอย่างเราถ้าได้เป็นกษัตริย์นี่เราจะกล้าออกบวชกันไหมเนี่ยจะไม่กล้ากันนันเนี่ยนี่ท่านกลายไยมนั่นออกบวชสละเลยแล้วก็บาเพ็ญ คันถาทุลวิปัสยทติธรรมแล้วก็สมถากรรมฐานวิปัสนาทําฌานอปัญญาไปเกิดไม่ให้เสื่อมสิ้นพระชนแล้วก็ไปเกิดบนพรมนีม่เดียวเี่ท่านไปเกิดคือเวลาพระโพธิสัตว์เนี่เวลาท่านขึ้นไปเกิดเนี่ยนะเวลาไปเกิดเป็นพรมเนี่ยหรือไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยถึงการเวลาเหมาะสมท่านก็มาสร้างบารมทาีท่านท่านทําแบบเนี้ยเนะี่ยปลอดภัยนะทําแบบเนี้ยเนะเราจะทําความปลอดภัยอย่างท่านบ้างไม่ได้เลยจชหเอา ชาตินี้เอาสักบทถมแม่ชานพอะจะทําให้เกิดขึ้นในกรรมวิรสันดานได้ไหมเนี่ยใช่ไหมลองเพลินเพียร <c oughs> ดูบ้างอนะให้แต่แตสักนิดนึงนะโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่มั่นคงเท่าไหร่นะได้จังหวะ ด, ดีๆเราค่อยอธิษฐานจิตลงมาสร้างบารมีอย่างนี้ดีไหมแม่ถ้าทําอย่างนี้ก็สุดยอดเลยใช่ไหมเตนวัต <c oughs> ตัตงเหตุนั้นสมเด็จพระหมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยจะรู้สัพพัญญุตยานแล้วก็ประทานธรรมเทศนานะบอกว่า ในการเมื่อพระทีบังกรศา ส, สดาในล่วงไปแล้วลำดับนั้นพระโก น, นัญญ า, ส, าสัมมาสุเมตเจ้าพระองค์หนึ่งได้มาตรัสในโลกเป็นบ ร, รมนายกของโลกอนันตเตโชอนันตะยะสโสเป็นบอกว่าด้วยพระเดชพระยศหาที่สุดไม่ได้พระองค์เกิดในอะ อ, อมอนอมรลำ ม, มดีนครพระพุทธบิพระพุทธปตุรงทรงพระนามกสุนันทมหาราช พระชนนีพระ น, นามวาสุชาดาคติยราชเทวีข้อคราสาวกซ้ายขวามีพระ น, นามนิยมวาปพัฒและสุพัาเถระพระเทวุถากมีพระ น, นามว่าอนุรุทธาพิกุลอครส า, าวิกามีนามวาติสาเถรีแล้วก็อุปติสาเถรีแล้วก็เป็นโพธิสถานเออไม้ขานางเป็นโพธิสถานพระกายสูง88สศอกมีพระชนมายุแสนปี